วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาภพิษุทั้งหลายสงพึงแต่งตั้งภิกสุนั้นอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงขอร้องภิษุครั้นแล้วภิษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญ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 ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าเมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ์นี้อยู่มีเสียงเส่งแส้เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครทราบความแห่งถ้อยคำที่กล่าวแล้วนั้นสงฆ์แต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ด้วยชื่อนี้ด้วยเพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปาหิงกะวิธี ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภ <Leah. S 1> ิกษุชื่อนี้ด้วยชื่อนี้ด้วยเพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปภาหิกะวิธีท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวงภิกษุชื่อนี้ด้วยชืยอ่อนี้ด้วยสงแต่งตั้งแล้วเพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุปพาหิกะวิธี สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิสุทั้งหลายถ้าภิกสุเหล่านั้นสามารถระงับอัธิกรณ์นั้นด้วยอุปาหิกาวิธีนี้เรียกว่าอธิกรณ์ระงับแล้วอธิกรณ์ระงับด้วยอะไรด้วยสั ม, มุขขาวินยัย ในสั ม, มุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวิัยความพร้อมหน้าบุคคลพิกษุทั้งหลายถ้าอาธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ผู้ทำหรือฟื้นต้องอาบัติปาจิตตีที่หรือฟื้นพิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อพิกษุเหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นอยู่